คาทารวมวินีตวัตถุเรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้วเรื่องมารดาหนึ่งเรื่องเรื่องน้องสาวหนึ่งเรื่องเรื่องนางยากหนึ่งเรื่องเรื่องยิงนอนหลับหนึ่งเรื่องเรื่องสัตว์ดิริชานตัวเมียหนึ่งเรื่องเรื่องยิงร่วมกันฉุดหนึ่งเรื่องเรื่องหนทางหนึ่งเรื่องเรื่องเรือหนึ่งเรื่องเรื่องท่อนไม้หนึ่งเรื่องเรื่องไหว้หนึ่งเรื่อง เรื่องที่ดาหนึ่งเรื่องเรื่องอดีตภรรยาหนึ่งเรื่องเรื่องบรรเดาะหนึ่งเรื่องเรื่องหญิงที่ตายแล้วหนึ่งเรื่องเรื่องตุ๊กตาไม้หนึ่งเรื่องเรื่องสะพานหนึ่งเรื่องเรื่องต้นไม้หนึ่งเรื่องเรื่องเชือกหนึ่งเรื่องเรื่องใช้บาดดันหนึ่งเรื่องเรื่องพยายามแต่ไม่ได้จับต้องหนึ่งเรื่อง